50 languages. ที่โรงเรียน School which. เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่โรงเรียน s c h o o l เรากำลังเรียนหนังสืออาชีวกรรมธวิชิอีกสับกศึกเรียนฮนั่นคือนักเรียนโอ้อาจีอาปักเฮนั่นคือคุณครูโอ้กรรมธวิชนั่นคือชั้นเรียนเน เรากำลังทำอะไรอยู่อสินกันไรฮกิรอย่าเรากำลังเรียนหนังสืออสิรศึกไรฮาเรากำลังเรียนภาษาอะไรอีกภาษาศึกไรฮะอะไรอีกภาษาศึก ดิฉันเรียนภาษาอังกฤษแมอังกฤษศึाษาฮะแม่อังกฤดีคุณเรียนภาษาสเปนตูสเปนิชศึกษาเหรอเดีเรเขาเรียนภาษาเยอรมันอเจษาเรเราเรียนภาษาฝรั่งเศส ซซเดพวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียนทุกพอิเดโฮทุกสิบศเ ด, ดหพวกเขาเรียนภาษารัสเซียอรูเด न, อรูสาการเรียนภาษานั้นน่าสนใจ าาเราต้องการที่จะเข้าใจาคนอื่นๆอาศนู้ซึมจดนาจของเดห์ฮะอาศิลูกค้านู้ซึมจดนาจของเเราอยากจะพูดกับคนอื่นๆอาศนาลกลับบัดการนาจของเดห์ฮะอาศิลูกคานาลกลับบัดการนาจของเ